เป็นวาลังอีกสองเมื่อเคยมีพูดถึงด้านการปฏิบัติก็วังผลจริงๆนั่นก็คืออางค์พระโสดาบันและก็องค์พระรอรหันต์ข้อยก่อจริงองค์พระโสดาบันถือเป็นพื้นฐานนะโดยถือว่าเป็นพื้นฐานใหญ่การปฏิบัติ ด้วยการบำเพ็ญบุญศนการบำเพ็ญบุญศนถ้าเราทึงอารมณ์มโสดาบันก็ถือว่าเป็นกายขาดตุนตอนนี้เพราะอะไรเพราะถ้าเริ่องเราทุงอารมณมัโสดาบันตายแล้วลุมนรกได้ยังจะทำสมาธินั่งจริงจริงจังคืนหัวค่ำทำสักท่าสักโมงอยุดไปพักสักสองชั่วโมงนั้นดังไปห้าชั่วโมงอยู่ ถ้าเราสามารถส่งสมาธิได้ดีแต่อย่าลืมว่าถ้าเป็นชานโลภีอารมณ์ที่เป็นอวนุโสยังมีอยู่หมายความว่ายังเป็นท่ายของม่วรนมากเกินไปถ้าเว็นลายตายจิตใจวุ่นวายนิดเดียวสามารถลงอบายภูมิได้ตัวอย่างพระในสมัยพุทธเจ้า แต่ความจริงพระองค์นี้ฉันคิดว่าเป็นพระอาเรชเจ้ า, จาเพราะว่าท่านตายจากความเป็นพระแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนตายจากความเป็นเลนเป็นท่านดุสิตเพราว่าธรรดาทั้นดูสิตาา น, ตนี้คนจะเกิดที่นั่นได้ก็รามพวกคือหนึ่งพระโพธิสัตว์มีบา ร, รมีเป็นปรมัตสบา ร, รมีแล้วกสองพระพุทธบิบาบาดาพระพุทธมารดา ถ้าสมพระอริยเจ้าตัณฑ์ปัสสาวะดาบไปขึ้นไปแต่ว่าตามบาลีบอกว่าพระอริยเจ้าตัณฑ์ปัสสาวะดาบไปขึ้นไปย่อมไม่เกิดในเขตของอภบบัยโยมหรือเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกา ย, ยเป็นจัตเจริญชันออกมาพบเรื่องพระองคนี้เข้าก็น่าแปลกใจแต่ก็ไม่แปลกมากนักเพราะว่าเลนมีนุ้ยแค่เก็บปันขมนุษย์ โยขไยนะแต่นี้กพอะไรเพราะว่าก่อนที่ท่นานจะตายท่านหวงผ้าจีวรคือชีวรของท่านเขาถวายมาผ้าสาดกเนื้อไม่ดีก็เอาไปให้พี่สาวเย็บสมัยก่อนเขาเป็นผ้าตั้งผืนแต่ผ้าจีวร น, นี่เว้ยแต่เมื่อได้มาครั้งแรกมีคนถวายผ้ามาสารานนทามุกเดเจ้า ว่าจะทำวีวร์ยังไงเพราะที่เจ้าสั่งให้ตัดเย็บแบบกระทง n g ท่อมตาวนามขตจะเป็นก ร, ร, ร, ร, ร, ร, รนะท o กระท ong กระท ong กระท ong นั่นเพราะว่าเดิมทีเดียวพระไม่ได้มีผ้าใหญ่ที่เรียกว่าผ้าฝาะสกุลคือเก็บผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าที่เขาที่แล้วกวาออ้างเครื่องยาวเครืบถือว่าวีวร์นี่เพราะเรื่อผ้ามีค่า เก็บมาสะสมก็เย็บปฏิปตะกันต่อมาทขาถวายผ้าทั้งผืนการนอนยิ่งต้องถามพระเจ้ามาทำยีวอนทีไรถ้าบอกเย็บแบบชาเป็นเป็นกระทงแบบชาวนามคตคือไม่ยอมให้เป็นผืนใหญ่ผืนเดียวพอถ้าเป็นผืนใหญ่ผืนเดียวถึงจะเป็นผ้าสวยกิจจะกิเป็นความสวยแต่ก็ไม่แน่เนะดีหรือเย็นเป็นกระทงสองข้อดีเหมือนกันเลยนะนี่สำหรับคนที่มีกิเลส พระองค์นั้นเมื่อผาาไปให้พีสาว พ, พสาวที่มันผ่านเนอหยาบก็ไปตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็โครกเป็นใบใยเล็กก็มาทําให้ก็เหมือนผ้าแพรเมื่อเย็บพิจิวณเสร็จต้องใช้เวลาหลายวันหล้างเยื่โครกแล้วก็สาวสา ว, สาวเป็นเส้นล้ยงสาวเป็นเส้นแล้วก็มาคอทอนเย็บพิจิวณก็ใช้เวลาหลายวันก็เามาถวายพระน้อยชายเวลาที่ท่าทอนยีวณเสร็จ พอดีข้าวนี้ก็ป่วยไราเห็นดีวอนข้าวจิตใจเราติดในดีวอนเพราะวาีวอนสวยแต่ความจริงการที่สาวไมาให้ทั้งอันแรกะผ้าขอท่านเนื้อหยาดเห็นผ้าไมละเอียดท่าบอกผ้าของท่านไม่ใช่ผืนนี้ที่สาวบอกผืนเดียวกันเลยไปกบไปกไปทําใหม่เขารับจิตใจก็ค อ, อยใจดนผ้าเวลาจะตายแทนที้จะเป็นฮัวดาได้เป็นลุงตม กลัใจเกิดเป็นเลนนะ่าจะเก็บอีวอร์อีเจ็ดใบตามธรรมดาถ้าพระตายสมบัติทั้งหมดจะต้องตกเป็นของสองฆ์ถ้าจะให้ใครต็ให้ก่อนตายถ้าตายไปแล้วนะทุกคนจำไม่ดีนะยือว่าอริเป็นน้องพ่อลุงปู่ลุงตาลุงยายเขาฉันหรือตามคติญาติตามกฎหมายมีสิทธิ์นี่ระวังลเบจีระวัลงละเบจีแน่นอน ถ้าจะให้กันต้องให้เมื่อก่อนตายแล้วต้องนำไปก่อนดังนั้นเมือ่อพระองค์นั้นตายพระสูงก็ไปจัดตัวสม บ, บัติตัวนี้อะไรบ้างทิ่ว่าเป็นของสงออกไปจัดจีวรพืนนั่งเข้าเล็งจะร้ อ, องตะโกนไอ้โจรต้นจีวรในโจรต้นจีวรแต่พระที่ไปนั้นเจ็ดแปดองค์เขาหูดีหรือเกิดเป็นว่าคามีไม่ได้ยินทำแฟ อว่านาคามีดาท่านไม่โกรธใช่ไหมได้ยินทำมันไม่ดีแต่คนนั้นไม่ได้ยินจริง ๆ, ๆ น, ะนาคามีอย่างแท้แร่ว่าได้เจ้าอยู่ที่มาหาวิหาใใรไกลแค่นิดหน่อยบอกข้าโนนบอกรีไปบอกข้าคนนั้นจีวรผืนนี้หยิบเก็บไปก่อนภายในเจ็ดวันให้ห้ามแตกต้องหลังจากเจ็ดวันไปแล้ววันที่แปดหยิบมาได้พวันที่แปดรู้จวว่าทรงสัง่งให้เปรับจีวรมา เจาโนนก็ทูลถามพระเจ้าว่าเล่าความเป็นมาอย่างนี้เพราะว่าเจ้าของเข้าใจเพราะจิตใจห่วงจีวรก็เลยไปเกิดเป็นเลนเป็นกิร์ไม่ไปเกิดจีวรแต่ว่าเลนนี่มีอายุเจ็วันเมื่อวานนี่ตายไปและวิป็นสนุสิกวันนี้เอามาได้แต่ความจริงการชัน้นดุูสิกก็คิดว่าเป็นต้องเป็นพระอารียเจ้าแน่ยังไงๆพระองนี้จะเป็นผุ้ติิดาซึ่งผู้ธรรดาไม่ได้ใช่ไหม หรือว่าอาจจะเป็นบรธธิษัทถ้าเป็นบริษัต์ที่เจ้าส่งบอกเขาเป็บริษัทเขาไม่ได้บอกไว้ถ้าเป็นว่าจิตเราถ้ามีเกังบนนิดหน่อยก็สามารถจะไหลไปสู่จิตความใยถึมได้าจะ่อุนนีินิดเดียวเลนเลนนี้ไม่มีใครเห็นตัวถ้าถามว่าพรจะจสุททาเจ้ากระทรวงชาปนกันไปทำไมจะเกิดเป็นเลนบอลเลนนี้ไม่มีการแสดงตัูออกใครเห็นไหมไม่เห็นเลนก็นไม่ต้องอายใขย่ใช่ไหม ถ้าเอาท่านหน่อยยังเอาได้นี่พูดถึงว่าจิตตงบุญถ้ายัางโคลสบเทพบุตรตายจากความดีนคนเข้าไปอยู่ในท้องสุนัขเื่อวลาก่อนจะตายมองเห็นนางสุนัขสุนัขตุ่มเมียเป็นางของเ่าเป็นนางสาวไหนจะเป็นนางสาวก็นันตอนสามีเก็ไม่ได้ดด้วยเห็นว่าหมาตัวนี้เป็นสุนัขตัวเดียวแหละรือว่าดีกว่าเรา กินข้าวมาทุกใริญติที่ท่านเป็นีกินเราเป็นคนกับข้าวธรรมดาธรรมดายังไม่ค่อยจะมีกินเมื่อคิดแบบนี้ใจก็กินข้าวไปแล้วมองดูสุนัขไปก็สนใจในเธอแล้วก็ตายเวลานั้นเมื่อตายแล้วก็เลยเข้าไปเข้าสุนนะัขเป็นลูกสุนนะัขแต่ว่าพอเป็นสุนนะัขมีความรักเลยพระบัจจีหลวงพ่อเจ้า ตายจากสุนัขเป็นเทรดาบนสวรรค์ช่านดาวดินสกุลโลกที่นั่นสิ่งชื่อว่าอารมณ์ข้องกลางบนความไม่แน่นอนคนจิตต้องระมัดระวมมังให้มากการเจริญฌานซึ่งเป็นฌานโลกีเกินไปทาว่นนนาฌานโลกีเกินไปในฌานโลกีนั้นก็ไม่มีความแน่นอนในสินบางวาระสินดีบางวารรคก็สินขาดกินเหล้าเมายาเพราะทำได้ เวลาที่ใช้ใช้หลงชันโลกรีในด้านด้านทิุยานเวลานั้นก็เลิกเมาสเลิกมารู้วว่าจิตวางที่บอนโชคคราวอันนี้ก็ใช้ทิพยาณได้แต่ว่าทิพยานที่ใช้บางอย่างยากพอถูกต้องก็ยังเอียงอาจจพลาดพระจิตอยากเกินไปและผู้ที่ใช้กำลังชันโลกีเกินไปมาดูตัวอย่างท่านปฏิวัติธรรมต้นโฟกัิกั ท่านผู้นี้ได้ปัญญาสมาบัติอกุญญาห้าเกิมัจจิตพระอริยเจ้าถ้าเป็นปัญญาหกนีเป็นพระอริยเจ้าเมื่อจิตวาดนิดเดียวเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าอยากจะแยอกอำนาจจ้าพระพุทธเจ้ากรรมกรตัวเองในที่สุดผู้นี้ก็ลงเวทีมหาลรก์ดันั้นบรรดาญาตโยมพุทธบริษัทการดํารงจิตให้ทรงไว้ซึ่งความดี ที่พระพุทธเจ้าต้องการและวพวกเราทุกคนตอนที่จะเกิดมาเป็นคนก็มีความดีทรงตัวอยู่แล้วเพราะคนทุกคนที่มีรูปร่างหน้าตาไเหมือนคนมีไหมคนรูปร่างไม่เหมือนคนีไหมใครมีรูปร่างหน้าตามเหมือนคนมีไหมเนี่ยเหมือนคนทุกคนใช่ไหมแต่บางคนอาจเหมือนเทวดาอะไรนี้อย่างคนเนี้ยคล้ายๆเทวดาชัิดสิก ว่าหน้าตาเป็นคนลนักษณะเป็นคนทั้งหมดเพรก็กำน่ายของสิงหรือว่าของกรรมบวชสิ่งคือที่เราจะมาเกิดเป็นคนได้เนี่ยต้องเคยมีศินห้าบริสุทธิ์หรือเคยมีกรรมบวสิทธิ์บริสุทธิ์มาแล้วไม่ใช่ก่อนขณะใจที่เราทําบาปโอรส น, นั้นเราก็ทําบางเวลาแล้วก็เป็นคนมีศินบริสุทธิ <c> ์ <oughs> ดายาที่ชาบ้านนิยมกัน วันเรื่องขึ้นหนึ่งค่ำถึงวันเจ็ดค่ำบาปไปก่อนอาวัชินพุนพอวันแปดค่ำก็ไปรักษาสินทักษ า, าสินห้าแล้วรักษาสินแปดจะมีพ่ออย่างยิ่งถึงพันสินห้าต่อมาวันเก้าค่ำก็บาปไปก่อนถึงวันสิบสีค่ำเอาวัชินคุณไม่ค่าจะขาดคุณพอวันสิบห้าค่ำก็รักษาสินต่อไปในช่วงเจงบะ ท, ที่บางโอกาสที่เราไม่สินเลยสุด เมื่อเสวยทุกเวรนาในนรกเป็นสุรกายสถิติฉันมาแล้วถ้าคนจะสร้างเยื่อฉานก้อได้ของสิงก็ทำให้เราเป็นคนคือว่าต้องฝ่ายต่ำนะก็ต้องมีด้วยกันเป็นคนด้วยการที่เราจะมีรูปร่างนาตาเป็นคนได้ก็มีสินห้าเวรสุดเราจะมีทรัพย์ถินมากบ้างน้อยบ้างตามฐานนัก็เพราะอำนาจของผานบารมี การให้ทานนี้ไม่มีความสาคัญมันจะวัะตถุจะมากหรือจะน้อยไม่ใช่มีเงินให้มากเกิดชาติหน้ารวยว่ามีเงินให้น้อยก็ชาติหน้ารวยน้อยอันนี้ไม่แน่บางท่านไม่ใช่ก่อนให้ทานไม่มากแต่ชาตินี้รวยน้อยบางคนใช่ก่อนให้ทานชาติก่อนน้อยแต่ว่าชาตินี้รวยมากถ้านีเพราะอะไรเพราะว่าธาตถวายสังฆทาน <c oughs> การไหวาทานเป็นสังฆทานนี่จำทุนมากเรื่องทนน้อยไม่สําคัญสังฆทานก็ไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องใช้อย่างที่เราปฏิบัติกันถ้าไปเอ่ยก็มีทรัพย์น้อยก็ไม่มีอะไรพระโดยมันหน้าบ้านบินบบาบตอนเชา้าเรามีข้าวนิดหนึ่งกับข้าวอาจจะไม่มีเลยก็ได้ถ้ามีอะไรนิดหน่อยก็ได้ไม่ใส่บาตรตอนเชา้าแม้แต่องค์เดียวนั่นก็เรียกสางฆทานใอ้สงฆ์ประเภทนี้เกิดชาติต่อไปเป็นให้เป็นคนรวย แต่ว่าถ้าสังฆทานเป็นชุดใหญ่ก็ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีไมโครตัแหนวถ้าไหวชุดใหญ่นี่ก็หมายความว่าชุดที่เรามีครบกับข้าวก่มีข้าวบ่มีก็มีกับมีบมน้ําธรรมดาธรรมดาถ้าทําด้วยศรัทธ า, าแท้เกิดไปก็เป็นมหาเศรษฐีกาเป็นอว่าการที่ราจะมีทรัพย์ถึงได้มีเครื่องแต่งกายมีผ้านุงมีเคินใช้บ้างใช้มากใช้น้อยเพราะหน้าตาธรรมดนี่เรามีมาแล้ว เรื่องการที่ยังมีปัญญาเข้ามาศึกษาท ร, รมาปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานอันนี้เรื่องใหญ่มากกรรมฐานนี้แจกคิดนะก็มาวันสองวันเดือนอาจจะมาวันสองวันบ้างทําแล้วก็ไม่รู้สึกจะได้ดีมันก็ไม่ได้ดีสําหรั บ, บเราเ น, นี่ยไม่ใช่ผิดมากกรรมฐานเป็นปรมัตถปฏิบัติ ไอ้บารมีนี่เขบอว่าอย่างยิ่งคือว่าเป็นการปฏิบัติสูงอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาถ้าคนที่มีบารมีต่ำคือขั้นบารมีต้นที่พระเจ้าท ร, ารงให้บารมีเฉยๆขั้นประเภทนี้เราจะไปจ้างหรือบางคัดถ้าจะเริยนสมาธิเราไม่สามารถจะทำได้ ยังไงยังไงก็ทําไม่ได้ทำบารมีต้นทอย่างเก่งเขาทําได้แค่สิงจะทานกับสิงแล้วนี้มายตอนหนึ่งสำํำคัญอารมณ์ที่จะต้องการาผลิตภัณฑ์พาระบาลีบารมีขั้การที่เรียกวุปปะบารมีวุปปะบารมีนี่สามารถจะทำฌานโลคีได้ทุกประเภทสองในฌานสามห้าในวิยหกแม้แต่สมาบัตไต่ก็สามารถทําได้ แต่ว่าถ้าชาติวนบอกเราคอนนี้ฝันกระแสโกงนี้จะบอกลบไปไว้ไวทัว่าท่านผู้ใดมีกําลังใจหวังนิพพานจะได้มโนทิฏิหรือไม่ได้ก็ตามถ้าขีใจพอจะจนิพพานจะนิพพานเรียกว่าธรรมะบารมีเพราะส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเป็นทุกคนที่บรรดาญาโยมบริษัทที่มาที่นี่ตั้งแต่เด็กมากถึงเด็กน้อยไอเนี่ยเด็กมาก อ, อเด็กน้อยประหยัดฉันเนี่ยใช่ไหมเหลือความเป็นเด็กยังนิดนึงเจ็กน้อยอยนะู่แล้วแต่ตั้งแต่เด็กมากถึงเด็กน้อยทุกคนเข้าใจว่ามีความหวังต้องการมิตรพั น, นในความหวังต้องการมิตรพันเท่าเราถ้าจะมีได้จริงๆกําลังใจยังมีจริงๆไนะ อย่างน้อยจริงๆจะต้องบังเป็นเรามีอย่างดีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึงอ์ไข่เราแสงกลับเราสะสมมานานแล้วทุกทุกชาติที่เราทําในบุญไม่ได้สลายตัวมสาสะสมอยู่ในใจเป็นการที่บรรดาทุกท่านมาจเจริญธรรมฐานอย่างดีถ้าเป็นการบางเอิญที่เราจะพอใจเฉเพาะทางโลกีอย่างเดียว ก็ต้องถือว่าเป็นคนพอใจในกายขาดผลถ้ามีเพราะอะไรถัาพอใจในชานรงก์ดีอย่างเดียวเลยดีไม่ดีเราอาจจะเบื่อความเป็นมนุษย์มันรุ่มร่ามใส่เสื้อใส่กางเกงลำบากลงทานลงพรูกบ้านลำบากไปเป็นเจวดาแล้วผมก็จะมีเครื่องแต่งตัวรุงรังลำบากไปเป็นสัตว์ระล้มดีกว่าสบายดีเสใช่ไหม ใครสมัครใจก็ไปได้นะแต่เขาไม่ขอไปด้วยเช่ีนี้ต่อไปถ้าเราจะหลบหลบซะเลยชาตินี้เราไม่ยอมขาดคนเราเคยมาราเคยมีมาแล้วสําหรับเราการเป็นเบสตัวกายเป็นตัวสารก็เคยเกิดมาแล้วการเป็นธรวมดาได้เป็นพรมเราก็เป็นมาแล้วเป็นมาทุกอย่างเวลานี้เราเป็นมนุษย์เป็นสูงกลางเราจะไม่ยอมดึงล่าต่ํำลงไป นั่นคือมุ่งมัติควาจุดเดียวฉะนั้นยิงขอให้ทุกคนยึดอารมณ์ของปะโสดาบันไว้เราจะเป็นปะโสดาบันหรือไม่เป็นน่นไม่สาคัญและก็จงอย่าคิดว่าเราเป็นประโสดาบันถ้าคิดว่าเราเป็นปะโสดาบันความประมาทจะไม้เกิดขึ้นเรื่องชายเราไม่ชันทําไปวันนี้จิตตกจึงในชัยอะไรทอะไรไม่อย่าไปคิด ถ้ไปคิดวัดเรื่อยชาญจิตนี้ข้างบนจิตผู้สร้ันให้กาลังของสมาธิจะเสือ่อมให้ต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์จิตเป็นสุขทําไปแค่จิตเป็นสุขถ้าจิตเริ่มเลิกเป็นสุขเกิด ค, ความม่นวายเกิดขึ้นมาจิตผูมิสร้างให้เลิกซะอย่ายอมขาดตรงแล้วก็มาโสดาบันเป็นไงก็ย้อนต้นมาโซดาบันก็ไม่ไดเมียอะไรมาก ก็มีสระโอสอเสือดอเด็กสระอาใช่ไหมแค่นี้ <c oughs> บัญญก็บอยไ ม, ม่ให้กัดนอนหนูอะไรกั น, นแล้วนะเด็กกันลัวอีกตอนนี้ไม่โตยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมปร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ะโลมความมั่นคงดาบันที่พระเจ้าทรงยินใหญ่ก็เพื่อนึงคารมพระพุทธเจ้าสองคางนนงรมพระธรรม สามครบพระอริยสงฆ์สี่มีสินห้าบริสุทธิ์นี่เป็นมติที่พระเจ้าทรงยืนยันว่าผู้นั้นเป็นพระโสดาบันถ้าพยายามระขับข้องไว้แปลว่าถ้าจะเราจะส่งอารมณ์แค่นี้จริงๆก็ขาดทุนอีกขาดตุนเพราะอะไรเพราะว่าคา้ที่พระโสดาบันเนี่ยยังมีอารมณ์เด็กก็มีด่อดเด็ดกคนไทายใช่งไหม ก็ต้องทรงอารมณ์ผู้ใหญ่เครื่องทรงอารมณ์ความไปฆราชน์ไว้ด้วยจะเป็นนะั้นไม่เป็นไม่สําคัญเป็นดึงไว้จุดสูงเมื่อทรงเราจะเฉพาะ อ, อย่างยิ่งมรสด า, า, ส า, า, มมาปันสีทาคาบีตะกอสําคัญดีสินห้าถ้ามีศินห้าไปสุดผู้นั้นเป็นมรสดาปันและสิกิทาคา ม, มีแน่นอนต่อไปก็ยึดอารมณ์พระราชน์ใช้ปัญญาที่เจะ น, นายมรโลกนี้ที่เราอยู่เต็มไปด้วยความทุกข์ การทำมาหากินก็ทุกการป่วยไขหรือสบายก็ทุกแก่เกินไปก็ทุกคนทุกผู้อย่างอยู่คนเดียวเกลียวใจแสนบานสบายทำไมสนุกก็ทุกอยู่สองคนทุกแสนสนุกก็ไม่สบายก็ทุกเยอะไหมหน้าเราไม่ทุกไหมเราไม่ทุกใครทุกเป็นโสดอยากจะแต่งงานแล้วก็ยิ้มเรามีความสุขข้ออะไร ขณะที่มนเราไปฉันเราก็กินข้าวอินได้ตามด้วยจะหาความสุขอาเปียสนสบายสบายก็รวมความทุกอย่างมันเป็นทุกเราไม่ต้องการเมื่อมันมีแลรงคนแล้วก็ไปร่างกายมีสามีมีพันยาแนแล้วก็แรงไฟ้ายังไม่มีเจ็คนที่เป็นคู่ครองในอดีต ความรักไปเกิดขึ้นตรงกลางก า, ารใต่างานก็แต่งตามธรรมดามันไม่มีเสียหายอะไรแต่ว่ากําลังใจและผุพันไว้อย่างหนึ่ขึ้นอ่ว่าขึ้นที่ว่ากายเกิดเป็นคนมันเป็นทุกเราไม่ต้องการมันอีกงานในชาติจจุบันมีเป็นสามีเป็นปัญญาเป็นบุตดชายข้าชายหญิงชายทั้งหมดเราทํางานทุกอย่างไวง้ครบคถ้วนไว้อยู่เป็นสุขไปคิดว่างานประเภทนี้มันเป็นทุกเราทําชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ถาต่อไปงานประเภทนี้ไม่ดีสําหรับเราถ้าเราก็ไม่ต้องการไปเทวดาพระพรเทวดาพระพรมีความสุขเจียงแต่สุขไม่นานหมดบนวัฒนามบา ร, รมีก็มาคนที่ได้มโนยิ่งเทียนแล้ยังทราบว่าเราเคยเค ย, เคยเกิดเป็นเทวดาพระพรนับชาติไปส่วนเรก็อยู่ไม่ได้ต้มาเป็นทุกข์จุดที่เป็นสุขจริงๆก็คือในไทย ก็ตั้งใจไว้เลยว่าถ้าเราร่างกายนี้พังเมือไรอย่าไปคิดักว่าตายแต่ความจริงคําว่าตายมาตายแต่ล่างกายจิตใจไม่ตายไปด้วยคิดว่าถ้าล่างกายมือนเริ่มด่างที่อาศัยถ้ามันพังเมื่อไรเราไม่ขอไม่ต้องการมันอีกไม่ต้องการเป็นมนุษย์ไม่ต้องการเป็นเทวดาไม่ต้องการเป็นคนต้องการเปดเเดียบสันนี้ตายอันนี้คืออารมณ์พระราห์ ถ้าจะถึงอาราหันต์จริงๆแล้วส ก, กิดใจก็ไม่ต้อสกกดก็ได้ถ้าได้อรหันต์วันนีอย่างชาฟงนี้แงแกะ่ะายจะันไปแถวแตอนนี้อารมณ์อรหันต์จริงๆก็่คือจิตเป็นสุขแต่ว่าเป็นนิรานรมิตรสุขไม่ใด้า ม, มิรสุขเป็นสุขกอรหันต์ไม่อิงอมิตรไม่อิงวัตถุไม่อิงบุงคนลอิงธรรมเฉยๆไม่ใช่ว่ามีเงินมากอราหันต์ได้สุข ถ้าไม่มีเงินพระอาจรเป็นทุกขอันน้ไม่มีมพระอาหารแต่าการทมเชยพระอาารยเป็นสุดถ้าการมินพาะรพระอาจารย์เนทุกอันนี้ก็ไม่มีสุขจากการทนมของท่านก็ไม่มีสุขจากการอินทาของท่านก็ไม่มีถ้าทุกจากการอินพาก็ไม่มีเป็นนิราภิษุสุขกินพระาจลรยคือาาเป็นสังขารเป็นขายย้ายาบคือมีอารมณ์เฉยแต่ร่างกายเขาตัวเองมันปีนอะไรก็แฉล ยาแก่แก่กเชยแก่ยากจ็บ่วยก็เชยปวดไม่เชยมันก็ปวยไม่เชิมันก็แก่ก็เชิมันเฉลยตามใจมีใจสบายถ้าสาหายด้ไม่หายถ้าไม่หายท่จะไปนิพพานกิตก็เป็นสุขที่นี่อารมณ์ของพวกเราที่ยังไม่ถึงนิรันดรก็้องซ้อมไม่ได้โกโกจะลืว่าพระโสดาบันก็มีอารมณ์เท่าชาวบ้านจะลมนะแยกเหล้ไป คือเมรุเท่าจะป้านคือหนึ่งพระโสดาบันยังมีความรักในระหว่างเพศแต่พระโสดาบันจะไม่ละเมิดสิทพระโสดาบันจะต้องการความร่ํารวยแต่ความร่ํารวยของพระโสดาบันก็ไม่โกงใครไม่ละเมิดสิทธพระโสดาบันยังมีความโกรธก็มีแค่โกรธแต่โกรธไม่นานหายเดี๋ยวแพรภัยเลย แต่ว่าพระโสดาบันก็ไม่ฆ่าใครพรโสดาบันยังมีความหลงในร่างกายแต่พระโสดาบันไม่ดื้อความตายคือมรรคก็ไม่ดื้อพลิกผันแค่นี้เอขาไม่อยากธรรมะระวังแค่สินค้าในเมื่อทรงอารมณ์พระโสดาบันก็ลองซ้อมๆสกิทาคามีเล่น ก, กูซ้อมเล่นเรามีคุณใหญ่แล้วเราไม่ตกมารุกเปลแล้วก็ซ้อมบีกีลากีฬาสมาพิ สำหรับอรมณ์ธาตุอาหารนรับผูกพันเลยเลยคือต้องการปฏิาพันธแน่นอนไม่ต้องการเกิเดเป็นลัทธิวดาและผมต้องการคดเดียวปนิพันธ์ถ้าได้มโนยุธิให้ไปวันละสองครั้งเป็นอย่างน้อยหัวถึงหมอนก็าานนต้องวาใจพุ่งปฏิพานธ์ทันทีไม่ก็ไปนั่งมันเมื่อยตรงข้ามีผลเท่ากันร่างกายจะหลับอะไรก็เชิญหลับถ้าเมื่อตื่นมาพัก ท่านั่งมันไม่สบายใจก็อ น, อ น, นั่นน่ะฟุ่งใจไปตามทีไม่ต้องไม่ต้องไปรอท่านนั่งตั้งท่าท่ามัวตั้งท่าอยู่เวลาจะตายจริงมันมจะไม่ทันให้พร้อมทําได้ ท, ทันทีตันใดนะดีไหมอย่างนี้เยอพูด อ, อื่นแล้วก็หาสอนในคนที่เกียดแต่ว่าฉันสอนตามแบบฉบับพระเจ้าสอนท่าขยันคือทําได้ ท, ทันทีตั้งใดพร้อมจะไปได้ ท, ทันทีถ้าทําอย่างนี้ทุกวันตายเมื่อรัยนิภัยมานัาน ที่มาซ่อนแค่ลมพัดสีพาคำนีชีพาคำนีเนี่ยแต่ตงหนึ่งบรนเทาความโลภคำว่าบรรเทาความโลภหรือบรรเทาความรักคือไม่ไน้หมดเป็นอ่อนตัวลงต้องเริ่มใช้ปัญญาถ้าบรรเทาความโลภก็ปัญญาก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราแตเกยแต่ไกลเลยเกินไปก็แค่นั้นแหละ ตายแลสมบัติต่างๆก็ไปไม่ได้แต่ก็ยังทําอยู่วโสดาธาาีทาคาราคาไม่ยังหาสมบัติอยู่แต่ก็ห า, าอย่างคนบริสุทธิ์แต่จิตก็ทําแค่สบายถ้ากําลังมีแค่นี้เราจะทําทแค่นี้ทําให้ก้าวหน้าไปได้โดยที่ไม่เป็นหนี้มากคือไม่ต้องเป็นหนี้มากอย่างวัดท่าสงใช่ไหมวัดท่าสงมีกําลังเหนือธีทาคารามี เนื้อนาคาเมียเหลือพระรหัตาะเป็นหนี้ถ้าตดำตังทาไมมีห น, นี้ใช่ไหมเราเก่งกว่าไม่มีใครเก่งเท่าเราเก่งในฐานะเป็นหนี้นะเมื่อถ้าข้เป็นหนี้ในจิตใจไม่ปลูกไฟเงินถ้าไม่เป็นหนี้เงินเป็นกองเป็นก้อนอันนี้ข้าจะดำบาปหนักดีไม่ดีดลงอาวุธจีไปเลยเป็นระตตังเขาให้กี่บาท มงินไม่ใช่ของเราจิดไม่ปวดฟันนึกจิตตลอแต่ว่าชาวบ้านเป็นนิ่มากไม่ดีเขามีพันธะตรงเรี้ยตัวพระไม่มีพรทธะมากตรงความบ่าการบรรเทาวความโลภก็ใช้จาคาลนัสติกรรมฐานจาคาลนัสติกรรมฐานจะเป็นนั่งเป่งตัวแข็งเนี่ยเขาไม่ใช่อย่างนั้นน่ะอนุสติราวตามนึกถึงเรามีความรู้สึกตามธรรมดาว่าเรานึกจะเป็นผู้ให้ ถ้าใครก็มีทุกถ้าไม่เกินวิสัยของเราไม่ดีเพียนตัวเกินไปเราจะใครถ้าให้แล้วเรามีทุกไม่ควรให้ในราการที่สองถ้าอกาศมีเราให้ถ้ามีเงินเหมือนกันแต่คืนให้ให้ไปเราไม่พอใจแล้วก็ไม่ให้ใจที่จะให้มีอยู่ต่อไปไอีกร่มหนึ่งจิตคิดจะโกงชาวบ้านไม่มีนี่คืออารมของพระสีธาคารีแค่นี้เอง ไมยากนะยากไหมคิดว่าจะให้ถ้ามีน้อยก็ยังไม่ให้เพราะไม่คอยจะใ้ถ้ายจะกเกินไปเราก็ยังไม่ให้ถ้าเหลือใช้เดินสอยเราจะให้โอกาสมีแล้วก็ให้โอกาสไม่มีเราก็ให้แต่ใจิตใจที่จะให้มีอยู่อีกอารมณ์หนึ่งคือจิตที่จะโกงใครนั้นไม่มีนี่คือรองพระสีภาธรรมเรื่องต้น สัญญาต์กำลังของความโกรธพราสกิทาคา ม, มีก็ยังมีความโกรธแต่ความโกรธกค่อยๆลดตูวลงเห็นพ่อลดความโกรธกเป็นปกติแต่เมื่อเผลอก็ยังมีโกรธถ้าความโกรธเกิดขึ้นมาก็ใช้ปัญญาคำเจรณาตัวเองว่าความโกรธที่เป็นควาไฟาไฟเทาหลานตัวตรวจเตัวไรมันมีความทุกข์เหมือนนั้นกําลังใจไม่สุดๆบังคอนปัญญา ต่อไปเพิ่งหน้าเราจะไม่โสดคดจะเป็นเมตตาเมื่อช้าตื่นขึ้นมาคิดว่าวันนี้ทั้งวันเราจะเป็นมิตรดีของคนสัตว์ทั่วไปไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยกับใครเราจะมีความสงสารหวังเกื้อใจให้มีความสุขถ้า แ, แต่ใครได้ดีเราจะไมอิจฉาทิ่สยาาคยจริงด้วยใครใครเพื่อมทำเราจะไม่ซ้เำเติมจะวางใจไว้ก่อนพร้อม ม, มีด้วยมันมีโอกาส คิดไว้ยังนี้ทุกๆวันกําลังใจ ว, วาาจาก็โทรศัพ์มันจะลดตัวลงให้มันค่อยๆลดลงนี่เป็นเมตตาบารมีเจ้าพ่อวิหารสีกําลังทุก ค, ความหลงพระสีภาคารมีก็มันดาวพันเทาความแต่งตัวสวยสดงดงามยังมีแล่พระสีธาคามีแต่พระสีธาคามีก็ไม่เมาในวัตถุเกินไปแต่งตัวไปสถานที่ใดเขาแต่งกันแบบไหนนะครับ ก็มีอะไรไปเครื่องปดับเรามีอย่างเขาเป็นการแก้ความเจิอเขินแต่เราก็ไม่เมาทีที่ว่าเราดีก็เครื่องแต่งกายกาลังใจพระสกทาคารีก็มีดี่เป็นว่าเราแต่งไปเพื่อมาแก้ความเจือเขินเท่านั้นแต่งเท่าไรแล้วก็แก่ทุกวันแต่งเท่าไรมันชาเราก็ตายนี่กาลังใจพระสกทาคารีแค่บรรเทาแต่กำลังใจเขาบุคคลใดบรรเทาความความโลก คือจิตไม่คิดจะโกงใครไม่อยากได้ทัพย์สมบัตของใครโดยไม่ชอบธรรมจิตห้องให้อยู่เสมออันนี้เริ่มต้นเป็นสินธาคามีแต่ความกำลังใจไม่ดีความโกรธเกิดขึ้นเมืาโกรธหายไปมีจิตใจยับยัง้งว่าความโกรธไม่ดีสําหรับเราเราจะไม่โกรธตอบรัจะบ้างว่ามันก็เพื่อมด้วกันอย่างนี้ก็เป็นการเริ่มต้นเป็สินอาคามีแตใใจิตใจใเราเห็นว่าร่างกายตัวบคุคคลมันก็ไม่มีอริยดี เครื่องแต่งกายก็สวยไม่สงตัวบางครั้งก็มีอารมณ์อย่างนี้บางครั้งก็มีความพอใจกาลังใจไม่แรงเกินไปอย่างนี้ถือว่าคุณกำลังเื่อคนว่าสิทขธธาธรรมีเราทําอย่างนี้ถือว่าเป็นกีฬาของปัสนาอยา่างใช่ไหมเป็นไม่เป็นแล้วก็ทำสิกขาธรรมีแล้วก็ทำาาแล้วเล่นโลภทําไปทํามาทำมาทมาัทา้งไปก็โ ก, โก้จริงจติดมึนเลิกเลือเล่อนชิน ธินกิตก็ไม่อยากจะโกงใครเส้นหายจะมีความคุจิตธรรมถ้าเกินกําลังเกินไปจันไม่ทําฉันทําแค่กําลังของแสงแค่ธินจิตเป็นสมความโกรธเกิดขึ้นมีได้พระสกิธาธมีแต่ถอยหลังเร็วอย่เร็วถ้าเป็นสกิธามีเรื่องปลาละเอียดจริงๆบางท่านเสนอที่ว่าเป็นพระอนาคามีาเพราะเรื่งความรักจะระวังเพศตัดีความอยากได้กัดีความโกดตัวดีความหลงก็ดี ความโมติมันจะไม่เกิดในจิตแต่ว่าถ้าจิตละเอียดมีความสงบมากพอไรบางครั้งมันโตล่ขึ้นมานนนบรรลัยโผขึ้นมากําลังใจจะตัดทังทีว่าความในยามเกิดเชิงลบมันจะหลบไปเลยอย่างนี้เป็นท่าสิทธาคาร ม, มิ ค, คือมีเบื้องปลายใกล้พระอ น, นาคา ม, มสฉันับวันนี้บรรดาท่านผู้บริบบตพูดเท่าไรก็ไปกดเวลามันเลยไปสามนา ท, นทีต้องอยยืดติงประตีเท่านี้นะ ต่อไปขบันดาได้พุทธบริษัทปฏิบัติเลยให้ใถ้ธรรมนาว่าพุทโภเวลาหายใจเข้านิบาพุทธเวลาหายใจออกนิบาปโภคถ้าว่าท่านเป็นผู้ใหม่ที่นี่แต่วเก่ามาจะกที่อื่นถ้ามีความนาในการภาวนาลึพิจารณาว่าอย่างไงให้ปฏิบัติตามเรืมองเปลี่ยนแปลงไม่จําเป็นต้องเปลี่ยน เ, นเนนนรพราะขณะใดที่จิตภาวนาอยู่และพิจารณาอยู่เวลานั้นจิต บ, บ้านใจจืด สำหรับบรรดาท่านผู้ถวาัท์ทั่วไปก่อนจะภาวนาให้ใข่คนกําลังใจตามความเป็นจริงว่าโลกนี้เป็นพวกเราไม่มีความต้องการอีกเอวโรกกับพระวโรกเป็นความสุขจริงแต่ว่าสุขไม่นานเราเป็นต้องการเราต้องการจุดเดี่ยวนนในปพานแต่จิตใจสบายตามนี้แล้วก็ทุกท่านเริ่มภาวนาและพิจารณาตามอัตยานสายตรงนี้เริ่มปฏิบัติได้ให้เวลา20นาที